ทนทั้งหลายสนใจในการกินดีอยู่ดีและสนใจในความดีในจิตใจสามารถที่จะดำรงชีวิตด้วยความสงบสุขคืออยู่ดีกินดีก็หมายความว่าทำหน้าที่ที่อาชีพอย่างสุจริตและจิตใจที่มีอย่างสุขนั้นทำด้วยการฝึกจิตใจแต่ละบุคคลให้เห็นความดีด้วยสติสัมปชัญญะถือว่าเป็นขั้นที่จะนาไปสู่ความสงบไม่ใช่ว่าจะไปนั่งวิปัสสนาในวัดเท่านั้น แต่การปฏิบัติทุกวันทุกเวลาที่ตื่นมีสติสัมปชัญญะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทุกคนทำได้ถ้าตั้งใจพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสที่พระครูใบดีกาเล็กยานุตตโรวัดหลวงปีชากูลอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีและคณะเข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและต้นเทียนพรษา วันจันทร์ที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2528คุณผู้ฟังคะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดช ท, ท่านทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและสนพระาราชหฤทัยในการศึกษาพระธรรมและการปฏิบัติภาวนาอย่างจริงจังโดยหลังจากที่ท่านทรงผนวดเมื่อปีพุทธศักราช2499พระองค์ยังทรงปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สร้างพระตำหนักบำเพ็ญธรรมส่วนพระองค์อันเป็นสถานที่วิเวกซึ่งเหมาะแก่การเจริญภาวนาไว้ในบริเวณพระตำหนักจิรดาละโหฐานนายภาวาฒบุญนาคอดีตรองเลขาธิการสำนักพระราชวังเคยกล่าวถึงพระราชจริยวัตรและก็การศึกษาธรรมะของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งอ้างไว้ในหนังสือ60ปีพระเจ้าอยู่หัวครองราช100รปีพระพุทธธาตุคลองทำไว้นะคะว่า แม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานดึกมากแต่ก่อนเข้าพระบรรทมทรงสวดมนต์เป็นประจำและทรงตื่นเช้ามืดทุกวันเวลาว่างทรงนำเทปบันทึกเสียงของสมเด็จพระสังฆราชมาตัดต่อเพื่อให้กระชับและเร็วขึ้นบางครั้งก็เสด็จไปวัดบวรนิเวศเป็นการส่วนพระองค์หรือนิมนต์พระญาณสังวรเสด็จเข้าพระตาหนักเพื่อถวายพัตนาสังเวแล้วก็ทูลถามข้อธรรมเป็นเวลานา น, าน ข้าราชบริพารทั้งหลายจึงขนานนามพระองค์ว่าพระมหาธรรมมิกข์มหาราชาธิราชเจ้าอันหมายถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงสนพระราชาหฤทยัยในพระธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาอย่างยิ่ง พลตำรวจเอกวสิทธิ์เดชกุลชร อ, อดีตหัวหน้านายตำรวจราชสํานักประจําเล่าถึงพระราชจริยวัตรในการศึกษาพระธรรมและการปฏิบัติสมาธิของพระองค์ในหนังสือสองธรรมราชาว่าพระราชจริยวัตรในการปฏิบัติสมาธิภาวนาของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นอกจากจะทรงปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอแล้วยังทรงให้ความสนใจศึกษาอยู่ตลอดเวลาจะเห็นได้ว่าเวลาเสด็จพระราชดําเนินไปที่ไหนก็ตามมักเสด็จเข้าไปในวัด และมีรับสั่งกับพระผู้ใหญ่เป็นเวลานา น, านๆอย่างเช่นกับหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังหลวงปู่ขาวอนานลโยวัดถ้ำกองเพลนในสมัยที่หลวงปู่ทั้งสองยังมีชีวิตอยู่การศึกษาสมาธิของพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาอย่างละเอียดละออจริงๆเท่าที่ผมจำได้ในสมัยโน้นพระผู้ใหญ่ที่พระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาพระองค์จะทรงนิมนต์ให้เข้าไปในวังที่เรียกว่าถวายกรรมฐาน นอกจากที่เรารู้รู้กันอยู่ก็มีท่านหลวงพ่อฤาษีลิงดำหรือพระราชพรหมยานพระอาจารย์วันอุตโมเป็นต้นหากศึกษาพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชจะเห็นได้ว่าคําสอนที่พระองค์พระราชทานในโอกาสต่างๆล้วนสะท้อนถึงความเข้าใจในหลักธรรมและการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาอย่างแตกฉานของพระองค์ ดังเช่นพระบรมบราชโชวารที่พระราชทานในโอกาสที่คณะผู้แทนพุทธสมาคมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณส า, าลาดุสิดาลายัยเมื่อวันเสาร์ที่13ธันวาคมพุทธศักราช2523ซึ่งมีความบางตอนที่ได้ทรงอัตถาที่บายเรื่องสมาธิไว้ดังนี้สมาธาหรือสมาธิซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ได้น่ากลัว บางคนก็บอกว่าการนั่งสมาธินี้ระวังให้ดีอาจจะเป็นบ้าก็ได้อาจจะแย่ลำบากไม่มีทางที่จะทำน่ากลัวแต่ว่าสมาธิก็ต้องเริ่มอย่างเบาๆคือว่าจะต้องมีความตั้งใจให้จิตใจนี้ไม่ไปเกาะเกี่ยวกับอะไรก็ตามหมายความว่าจะต้องเริ่มต้นด้วยการปัดกวาดสิ่งที่เป็นม่านหรือเป็นสิ่งที่คลุมไว้ไม่ทาให้สงบได้ไม่ทาให้เกิดความนิ่งแน่ได้ การที่จะทำให้เกิดความสงบนี่คือสมาธินี้จึงต้องพยายามดูให้เห็นว่ามีอะไรมาปิดบงังเมื่อถอนสิ่งที่ปิดบังนั้นทันใดก็ได้สมาธิสมาธินั้นเราอาจจะได้เป็นเวลาเพียงครึ่งวินาทีมันก็เป็นสมาธิแล้วแต่ว่าเป็นสมาธิที่อ่อนมากแต่ก็เป็นสมาธิข้อสำคัญที่จะต้องได้สมาธินี้ถ้าเราเอามาใช้คือการสร้างสมาธิให้ดีขึ้นหน่อยแล้วเอามาใช้ ไม่ต้องทำสมาธิให้หนักแน่นมากนะักแต่ว่าเป็นสมาธิที่ควบคุมได้เราจะมาเห็นใจเราทำสมาธิให้นิ่งจิตใจให้นิ่งก็จะมาเห็นใจของเราใจจะไม่เป็นสิ่งที่ลึกลับใจจะเป็นสิ่งที่เปิดเผยคือเราเปิดเผยกับตัวเราเอง การฝึกปฏิบัติของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั้นมีได้ท่งปฏิบัติแต่เพียงพระองค์เท่านั้นหากยังมีพระมหากรุณาที่คุณพระราชทานคำแนะนำแก่ผู้อื่นอย่างท่วนหน้าข้ารัชบริพารได้รับพระราชทานหนังสือและก็เทปคำสอนของพระอาจารย์ทั้งหลายเสมอดังเช่นที่พลตำรวจเอกวสิิ์เดชกุลชรกล่าวไว้ในหนังสือสองธรรมราชาว่า คำสอนถวายกรรมฐ า, านของครูบาอาจารย์ทั้งหลายพระองค์จะทรงบันทึกเทปไว้ถ้าคำเทศคำสอนใดที่ทรงเห็นว่ามีประโยชน์สำหรับพวกเราที่หัดใหม่ทั้งหลายมักพระราชทานมาให้และพวกเราก็มักได้รับพระราชทานเทปจากในหลวงเสมอผมจำได้ว่าที่ได้รับพระราชทานมามีของสมเด็จพระสังฆราชของหลวงพ่อฤาษีลิงดาของหลวงพ่อพุท ธ, ธานิโยเป็นต้นและในทํานองเดียวกัน เวลาพวกเราไปไหนก็มักจะหิ้วเทปไปด้วยได้พบพระอาจารย์องค์ใดก็ตามต้องขอธรรมะจากท่านเมื่อท่านสอนเราก็บันทึกไว้แล้วก็มาคัดกันดูว่าม้วนไหนองค์ใดควรถวายเราก็จัดถวายแม้จะทรงงานหนักเพียงใดพระองค์ก็ไม่เคยว่างเว้นจากการปฏิบัติธรรมทั้งยังทรงรวมการปฏิบัติธรรมกับการประกอบพระราชกรณียกิจให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จึงทำให้การบำเพ็ญพระราชะกรณียกิจทุกครั้งสำเร็จลุล่วงดังพระราชหฤทยัยพระราชาจริยวัตดที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงปฏิบัติเสมอมานี้ถือเป็นต้นแบบอันดีงามที่ชาวพุทธควรน้อมนำมาปฏิบัติตามขอขอบคุณข้อมูลหนังสือสองธรรมราชาหนังสือ60ปีพระเจ้าอยู่หัวครองราชหนึ่งรปีพระพุทธธาตุครองธรรมหนังสือร้อยแมงคล พระบรมราชโอาทเพื่อความสุขและความสำเร็จของชีวิตแบบยั่งยืนเรื่องโดยเชิญพรคงมาคอลัมน์ดราม่าออฟคิงรามานายนิตยสารสิเคร t ตขอบคุณเว็บไซต์ tnew.co.th และขอขอบคุณคุณผู้ฟังชแนลพระเจอผีที่ติดตามรับฟังค่ะ